นี่วันพรุ่งนี้ตอนตอนเย็นก็จะไปเทศวัจจะทานนั่นท่าน ด, านดวงมานิมนเพือกับงานอะไรมรู้น่นนะเราก็มองฟังอันนี้ก็เกี่ยวพวกทหารเพราะว่านี้เป็นาราชานี่แล้วกับวันวันที่สามสิบก็จะต้องไปเทศที่ไหนร้างที่ทําละมานิมนเทศเกี่ยวกับลูกเสือชาวบ้าน ห, หรืออะไรเนี่ยตรงลงวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบ ไม่มีเวลาวนะ่างวันนี้พอว่างบ้างนักแขกคนก็ไม่ค่อยควรนักไม่เหนื่อยมากนักเลยมาพูดบ้าง เ, ๆๆๆเล็กน้อยๆเทศก็หลงหน้าหลงหลังนะผมเดี๋ยวเนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนนะเทศแทนที่จะไปนี่หรือจะเป็นครอบแบบเที่เอาไปใหญ่เลยเพราะความหลงลืมมันเองโอ้หน้าวันไล่ลงทุกวันวะแต่วันนี้มันจะเทศมาได้แหละความจำมันจะไม่มีนี่เราอะไรมาเทศ ผมไม่ใช้ขันเจ้อะไรมาเทขันนี่เป็นเครื่องมือแต่นี่มันบุดลุยลงไปหรือนี่ลงไปจนจะไม่มีเหลืออนะไรดูกำกับนี่นะมันจะทำตรงสี่ห้าไม่ได้นะดุมขนลงไปทางนี้จนทางนี้ก็บ้างสิทางไหนก็ให้มันเหมาะสมสิก็ใครจะไปรู้ยิ่งกว่าพวกท่านทั้งหลายที่ดูแลอยู่นั่นแม้แต่ผมอยู่ของนอ้องนองนี่ผมมองดูมันยังพอทราบได้ เด็กพวกญาติโยมก็มือนกันก็จะกินอะไรนักหนากินให้ตายเลยก็ต้อยกน่นแยกนี้บางทีงานการจริงก็มากมากจริงวันไหนก็เห็นแต่มากๆทุกวันทุวันโอ้ยมองดูนูล้นถาดเลยนะในบาทแล้วยังไม่แล้วล้นถาดล้นถาดเลยแล้วเล็กก็ดีมาวัดแล้วก็ว่ามันสิอย่างมันไปอยู่กุฏิวันนี้มันไปล้างอะไรเสียงมันลั่นเนี่ ได้ไปดูเอาแหละกนั่นเราเดินไปนั่นมันมาอยู่นานๆมันเป็นไปนะคนมีกิเลสเนี่มันต้องชินชาหน้าด้านไม่สงสัยแหละเป็นได้ แ, แต่ว่าเราตั้งแต่เด็กพ้ามเหมือนกั น, นกิเลสมันมีในพระเหมือนกันทําไมมันจะไม่ชินชาหน้าด้านได้วะมันจะเห็นใจหน้าพระอะไรถ้ามันเห็นใจหน้าพระพระก็คงบริสุทธิ์ไปมนานแสนนานนะองค์ไหนก็ดีแต่นี่ยิ่ง มีแต่กิเดสหนาข้านาข้าวจนมองหาตัวพระไม่เห็นมีแต่กิเลสมันครอบเอาหมดเลยทิว่างเลยลกัปปิยาอะไรแสดงมาก็มีจะเรื่องของกิเด็ ก, เ, ดกเรื่องของธรรมพอให้มันงามตาบ้างมันไม่เห็นเพราะหูบ้างมันไม่ได้ยินเพราะอะไรก็ไม่ได้ยินมันข้างในมันออกออกมาจากข้างในใช่หรือให้ดูนะท่านจิตใจ เรื่องอาหารเด็กอ่ะคอยดูเลือกอาหารข้างนอกข้างนู้นอ่ะให้ท่านดูนะหมอเป็นให้ท่านเป็นภาระดูว่าทางไหนมันเหมาะสมไ ม, ม่เหมาะสมให้ดูนะยืมมันขขนบางกวางเพลินเทินชึก ทางไหนจะเมะมันจะพอดีพองามก็ให้ท่านดูเองก็ท่านก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งอยู่ในวัดนี่มาอยู่นี่กับผมไม่ถึงสิบ ป, ปีแล้วเหรอกควรไว้ใจก็ไว้ใจนะไม่ควรไว้ใจผมไม่ไว้ใจใครอย่งนั้นหร <c oughs> ืมีมีเรื่องโหมโครกันนะลูกหน้าปะจม Bref ูกเราเป็นไม่ได้จมูกขาดลงไปเลยนะมีสิ่งที่พิดอยู่ที่อยู่จมูก่ะ จมูกมันจะเหลือข้างได้รือขาดังไปด้วยกันเลยนะทำมุ่งยามีที่ไหนหมุกโ โ, กนนะโลกันะมีแต่โลกนั่นแหละรูปหน้าปะจมูกก็ว่าพระเรื่องเนียนการเข้าการออกก็เหมือนกันนะมาแ h a สร้างความยุ่งยากให้ในวัดนี้ด้วยซ้ำนะ นัีต้องตามส่งตามเสียกันให้ยุ่งไปหมดเลย น, น, นี่อันหนึ่งนะมาให้หนักเรายังมาแล้วยังไปให้หนักอยู่ให้หนักอีก น, นี่อันหนึ่งนะเลยเป็นภาระาที่หนักมากตลอดทั้งมาทั้งอยู่ทั้งไปว่าไงแล้วก็มีหน้ำจำอำเวลามีรถเข้ามาจะไม่ทราบรถอะไรวาจะบืนประบรถเขาอันนี้อันหนึ่งนะผมเห็นมันนัน ผมเนี่ยโดเอาไม่ให้แป๊วกับเขามันดูดูรถอยู่แล้วมันสมควรที่จะไปแทกเขาใหญ่ยังแทกไทยผ้าเราขายชีหน้าที่สุดเลยอย่างนี้สิมันมาขายหน้าขายตาหลังไหลเข้ามากับมาแบบนั้นเนี่ยอยู่แบบนี้ไปก็ไปแบบนั้นนี้ ส่งคนนั้นส่งคนนี้ยุ่งไปหมดเลยมันมาหาอะไรกันไม่รู้มาสร้างความยุ่งยากให้หนักหัวอกจะแตกเ้ยขาหนียุ่นก้าวไม่ออกเรอมันไปไม่ได้เรอเป็นกรรมถ า, านคุ้นนาวไว้จะหมดทั้งแผ่นดินนี่เรอ ฮูวา่าจันท่านดาเนินมาเป็นยังไงท่านเอาอลายก้าวเราทำไมจะอ้อนเหินเดินฟ้าไปแล้วทั้งๆ ท, ที่ไม่มีปีกไปไหนมัน ก, ข ว, ก, นนกรรนขวางโลกไปนั่นหรือกี่ไปมันปฏิบัติธรรมกรรมฐานขวางโลกไปงั้นเหรอมันขวางธรรมต่างหากนี่ไม่ได้ขวางโลกโลกมันหวานมันไปหมดแต่ธรรมนี่คืนไม่ลงแล้สิ เดินลงดุสิตมันจะเป็นยังไงอยากจะไปไหนก็เอาไปยังไงลองดูสิมันจะตายพราะกันเดินเนีมันเห็นงดีเออา HR ก็มีจะโดดรถเรารถยิ่งเร็วยิ่งกว่าลิงมันอะไรกันหรือว่ั้นบันไดขึ้นรถในนั้นมันไม่ทันสมยัยก่เลดไม่ตายง่ายหรือค่ากิเลสค่าอย่างทันสมัยจรวจดดาวเตรียมอย่างนั้นหรือแบบขึ้นรถหรอท่านค่ากิเลสท่านค่ายัางไง พเราถึงได้เป็นบ้ากันรับสิ่งนี้เอานักงนานทันสมัยนักหนาถ้าได้ขึ้นรถก็รู้แล้วยิ่งทันสมัยโออาร์ว่ามีญาติโยมเคารพนับถือมีหน้ามีมตาหน้ามันก็มีมาตั้งแต่วันเกิดตาก็มีตั้งแต่วันเกิดคนตาบอดมันยังมีตาบ้าคนตาดีทำไมจะไม่มีตา มีแต่ความเด็กสะดวกสบายมันก็มาฐานคุ้นนางไปไหนแล้วสร้างความยุ่งยากวุ่นวายให้แก่ผู้อื่นนี่สิมันสำคัญนะเท่านี้มันก็ไม่ได้คิดนี่เราอกจะแตกกันเนาะเดี๋ยวว่าไม่บอกนะเนี่ยบอกนั้นู่เวลานี้นะมันขวางขนาดนั้นแหละมองอยู่แล้วไหนไม่ได้ไม่ได้ขึ้นรถไปไม่ได้ไได น, ไไดนี่เอาที่มันจะตายกันเห็นด้วยทีนะ่ห กูว่าอาจารย์ท่านพารำเนรมาถ้าไม่เห็นตายเดินจงกลมไปในในขณะที่เดินเป็นยังไงถึงมันไหนไปไหนถึงวันไหนที่ไหนเอาถามมัช่างมันเถอะขอแต่กิเล่มันพังไปพังไปกับหัวใจในี่ด้วยการต่อสู้กันนี่เนี่ยเป็นที่เหมาะนั่นอยู่นี่ทางหากนี่นะการฆ่ากิดเลสไม่ได้อยู่ที่โดดขึ้นรถเหมือนกระหลิงไปไหนไม่มีรถไปไม่ได้แล้วมันจะตายแล้ว มันอะไรที่เป็นอย่างนั้นกรรมฐานเราเห็นไหมเนี่มันเหยียบหวัวครูบาอาจารย์ไปเวลานี้เป็นยังไงดูแล้วยังตื่นบ้าแล้วกับโลกเขานั่งหนาโลกเขามันเป็นอย่างหนึ่งพระนเป็นอย่างหนึ่งและพระกรรมฐานเป็นอย่างหนึ่งมันต่างกันนี่นะแหกันไปเร่แหกันไปนี่มีแต่ขึ้นรถขึ้นลาไปธรร ม, มดาไปะไรไปอะไรดูหวัวใจเจ้าของ เรื่องมาคิดต่างนี้หนูมันสะลอสองเวรนั้นการค่ากิเดลสจะค่าไดใ้ในเวลาได้ขึ้นรดเท่านั้นมันถึงทันสมัยถ้าไม่ขึ้นไม่ได้ขึ้นรดขึ้นลาไปไหนมาไหนแล้วค่ากิเด็ดไม่ได้ค่ากิเด็ดไม่ลงคอแล้วไม่มีโอกาสค่ากิเลสไม่มีโอกาสทาคนเพียนถ้าไม่ได้ขึ้นนั่งรถนี่สิมันอะไรกัน พระพุทธเจ้าพระ ส, วะสราวเท่าไรจะถามครูบาอาจารย์ไหนท่านได้สําเร็จอยู่ในรถคันไหนมาว่าสิถ้ามันทันสมัยจริงๆเอาเอามาเทียบมายันกันที่กับพุทธพจน์หรือคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้ว่ามันผิดไปตร ง, รงไหนพระพุทธเจ้าองค์ไหนหรือพระสาวองค์ไหนได้สําเร็จอยู่ในรถคันนั้นคันนี้ที่ทันสมัยหรือท่านสาเร็จอยู่ในป่านั้นในเขาลรือไม นี่เป็สถานที่ที่ดังที่กล่าวมาเมื่อสักครู่ น, นี้ข้างนั้ น, นมีนที่ไหนที่ที่อย่างพวกเราเป็นเหอ ER บ้ากันอยู่แถวนี้เป็นที่นั้นหรือเป็นเป็นที่ค่ากิเลสหรือนั่นที่พวกเราเหอเหอกันอยู่เป็นบ้ากันอย่างนี้นี่นีมันเห็นกันอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วยังไงศาสนาเป็นยังไงพระเจ้าพารำเนรสาวกความเนรนกับพวกเราดําเนินอยู่หลานนี้เปยังไงมันเป็นไม่ใช่เป็นคู่ต่อสู้กันแล้วจะเป็นอะไรไป เป็นค่าสิทกันกันมันควรที่จะขึ้นก็เป็นอีกอย่างห น, น, นึ่งเราไม่สามารว่าแบบเดียวกันแบบเดียวเห็นกงนี่นะอันนี้อะไรมันตั้งหน้าตั้งตาสักอย่างเดียวนี่นอ่นอานสิ่งเดียวนี่ถ้าจนล้นเหลือยิ่งกว่ามุ่งอัดมุ่งทำด้วยซ้ำไปไห้ว อันหนึ่งที่อเรื่องฉีดเชนจะหมายไปหาคน น, คนนั่นคนนี้แล้วท่านอาจารย์มีนอนั้นท่านอาจารย์มีงาน น, นี่นี่อันหนึ่งนะระวังดีนะแต่ผมจับได้ล้ไล่ออกนี้จะว่าทันทีด่วนมากพระชอบเวลาไปอยู่ครูอาจารย์มันชอบเก่งในทางนี้ติดต่อผู้คนญาติโยมเรื่องนั้นเรื่องนี้นนโดยถือครูอาจารย์เป็นโลกขึ้นมาบางหน้านี่อันหนึ่งนะผมไม่ประสมอย่างยิ่งเลยไอ้พระประจกประแจง เรีย่แข่งเดียข่ขาเหมือนหมานี่อยากให้มีในวันนี้มีไม่ได้จริงๆนะนี่ไม่ได้พูดเล่นนะกิเลสมันไหวหน้าใครเมื่อไหรนี่จะได้ไหวไหวหน้ากิเลสได้ยงไงไว้ไหวไม่ได้หัขวาขาก็ขาดไปเลยล่านไหนเป็นก็เป็นอย่านะัประจบประแจงแบบที่ว่าเนี่ยอย่างเช่นอย่างบุญบันเกิดของครูบาอาจารย์นั้นนี่หรืองานนั้นนี่ของครูบาอาจารย์นั้น เป็นวันนั้นวันนี้เหล่านี้นะ่ะเป็นได้ในแน่เนี่นะ่ะพวกนี้อ่ะมันอยู่มไม่ได้มันไม่ได้เกา่าอยู่ไม่ได้เนะี่ยวันเกิดวันตายที่ไหนพ่อแม่ครูบอาจารย์ยกตัวอย่างในปัจจุบันผมไม่เคยเห็นท่านปราลบถึงแม้คําเดียวเลยว่าวันเกิดอย่างนั้นวันเกิดอย่างนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่ก่อความกังวล ให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายน้อยเมื่อไหร่วันเช่นนั้นน่ะเอออลองรู้ซี่หาเชื่อเชิญมาคนนั่นมาคนนี้ม า, ว, า, า, าวันเกิดของท่านอาจารย์นั้นมันเกิดท่านอาจารย์นี่ถ้าไปไยังไงหรือได้เป็นบ้างงั้นมันสบายเหรอถ้าจะเป็นบ้างงั้นลุ่นเรงไปเลยเลยไหลไปเลยเหรอเพิ่มทั้งหลับไปเลยนะ นะ ง, งานนั่นใน ง, งานนี่นะวะในงานค่ากี่เลสมันไม่ในอมองนี่นี่สำคัญเวลาเขาไปขอหนังสือนี่ยมันจะมีองค์ไหนเก่งๆอย่ า, ย า, ย า, ยานั้นมายุ่งอยู่นั่นเนี่อันนึ่ง น, นะมันขวางตา ม, มานานแล้วนะ มันไม่ค่อยแอบอะไรอยู่นี่นี่อันหนึ่งนะให้เกี่ยวข้องเฉพาะพูดจำเป็นเท่านั้นนี่ก็ทราบแล้วก็บอกแล้วนี่ไม่จะเป็นมายุ่งาหาอะไรมาหาสมบัติท่าแสงอะไรถ้าไม่คอยจะมาแบบว่านนะมันเคยเห็นมาแล้วจนจนนเอือมมาพอแล้วเนี่ยเอือมเข็ดหลามมาพอแล้ววันงนี้จะนํามาพูด มันก็จะมาเป็นขึ้นในนี่ในวัดนี้ว่าไงขาเห็นของดีๆที่เขาไปเอามาเองมะเราบอกให้ไปติดต่อมาในนามของเราเนี่ยเขาร้านไหนเขาเลยเอาชื่อเรานี่ไปเลยในนามของเราเป็นผู้สั่ซื้อนี่ว่าเราเอามาแล้วเห็นดีๆเขาก็ไม่อยากแจกเด็กอยากเอาไว้สำหรับเดียนเขาจะเป็นประโยชน์แจกส่วนรวมมากมายว่ะส่นร่วมก็ห า, าหหว่าไม่สิว่ะ คนนี้พูดแล้วนี่มันว่าจะหามาแจกเด็กก็ได้ามาตกลงกันแล้วเราถึงได้ให้ไปหามาแจกเด็กนี่ไม่ใช่หามาไว้อย่างนั้นนี่นะวะต้องแจกให้หมดตั้งที่กตกลงกันไว้นี่วะให้ส่วนที่ต้องการจะให้เป็นประโยชน์แ จ, จกคนส่วนมากในห้องสมุดหรือในไหนอันนั้นเราหามาที่หลังก็หามาได้เป็นไรไปวะก็บอกงั้นวันนี้อันนี้เราตกลงกันยังไงก็ต้องให้เป็นประตามนั้นทีตกลงว่ า, าจะมาแจกเด็กแล้วมาเปลี่ยนแปลงกันยังไง หาเงินผลไม่ได้เราบอกที่จะมาแจกเด็กนั่นนะ่ะนั่นน่ะเงผลที่ถูกต้องแล้วนิ่าเนี่เอามาเมื่อไรก็ได้ที่จะามาไว้สําหรับโรงเรียนนี่มาหามาทีหลังนี่มีโอกาสมาเมื่อไรก็ได้นี่มาส่วนที่จําเป็นนคือว่าที่จะมาแจกเด็กจําเป็นแล้วนี่่าเอามาต้องแจกเด็กเอาะเขบอกนั้นแล้ววนันนี้สั่งกลับไปรครูทั้งหลายเห็นอย่างนั้นมาไม่อยากแจกเด็กจะเอาไว้ เป็นชมบาดของโรงเรียนเอาไว้ทํมมาไมวะก็บอกกันนะจะจให้หมดเราบอกกันแหล้วมันพิจารณาใหม่ก็ยังได้เรื่องเหล่านั้นนะมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากนะเรื่องนี้เป็นยนื่งกงแนวต่อเหตุผลที่ตกลงกันไว้แล้วนีว่หนักวะเราบอกกันอย่างนะี้ประมาณกี่หมื่นก็ไม่ถึงสามคนรู้ก็วา่า